อย่าใช้เวลาที่ควรเอาไว้ทําความเข้าใจตัวเองไปใช้หมกมุนกรุ่นคิดหาทางทําให้คนทั้งโลกมองคุณดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกปัญหาจริงๆอาจเป็นว่าคุณยังไม่เข้าใจตัวเองชัดพอ มีแต่ความอยากให้คนทั้งโลกเข้าใจคุณกับทั้งไม่เห็นใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรอยู่เขาจึงไม่พร้อมจะเข้าใจคุณเท่าที่คุณอยากให้เข้าใจเพื่อจะมีตนเป็นผู้เข้าใจตนเองคุณต้องเริ่มต้นจากการมองใหม่แตกต่างจากเดิมเริ่มจากการบอกตัวเองว่าความกังวลและความคาดหวัง ว่าจะให้ใครมาเข้าใจคุณแท้จริงแล้วทำให้คุณเสียเวลาหมกมุ่นคลุนคิดที่จะหาทางเปลี่ยนใจคนอื่นกระทั่งไม่เหลือเวลาทำความเข้าใจตัวเองสักทีเมื่อมีเวลาทำความเข้าใจตนเองมากขึ้นมีเวลาย้อนกลับมาเห็นว่าตัวเองคิดอะไร รู้สึกอย่างไรกับใครได้แค่ไหนคุณจะพบความจริงที่สำคัญประการหนึ่งคือคุณเองก็ไม่มีเวลาและไม่พร้อมจะทำความเข้าใจคนอื่นเช่นกันจากการรู้ใจตนเองดีพอเห็นความไม่พร้อมของตัวเองที่จะทำความเข้าใจคนอื่นก็จะช่วยส่องให้คุณมองไปเห็นว่าโลกนี้ คนที่พร้อมจะไม่เข้าใจคุณมีอยู่สองพวกพวกแรกหมั่นไส้คุณและเมื่อเขานึกหมั่นไส้อยู่ก็ต้องมีอคติไปกว่าครึ่งพอมีเรื่องให้เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันคุณจะไปพูดขอความเห็นใจไม่ได้แบบนี้ถ้าจะทำให้มองคุณดีๆการพูดจะอธิบายหรือแสดงข้อเท็จจริงอย่างไม่พอ คุณจำเป็นต้องเจือจางหรือละลายความหมันไส้ด้วยการผูกมิรแสดงสีหน้าและคําพูดให้เขารู้สึกดีมากพอที่จะนึกอยากฟังคบอธิบายอย่างเร่งรัดอยา่าเผลอทาสีหน้าหรือน้าเสียงคาดคั้นกระทั่งกระตุ้นให้เขาเกิดความรู้สึกว่ากำแพงความหมันไส้มีอยู่ตลอดเวลาไม่อาจลดกำแพงลงฟังอะไรคุณได้ หรือสงสัยว่ามันเรื่องอะไรที่เขาต้องออกแรงข้ามกำแพงมาหาคุณพวกที่สองเกลียดคุณและเมื่อเขาใส่แว่นแห่งความเกลียดอคติย่อมบังตามิตรทุกคำและทุกการกระทําด้านดีของคุณจะถูกฉาบดำมองดูเหมือนเป็นการเสแสร้งแกล้งทําเป็นฉากบังหน้า หวังหาประโยชน์เข้าตัวหรืออีกทีถึงพยายามพูดอธิบายให้ตายก็กลายเป็นการแก้ตัวน้ำคุนๆไปทั้งหมดแบบนี้ต้องรอให้มีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้เขานึกเอ็นดูมากพอจะหายเกลียดซะก่อนเขาถึงจะยอมมองคุณด้วยความรู้สึกกลางๆหรือดีๆขึ้นมาได้พูดง่ายๆว่า ถ้าไม่ใช่เพราะดวงก็อาจาไม่มีอะไรไปถอดแว่นแห่งความเกลียดที่บังตาเขาได้หรอกและจากการรู้ใจตนเองดีพอของคุณเห็นความพร้อมของตัวเองที่จะทำความเข้าใจคนอื่นก็จะช่วยส่องให้คุณมองออกไปเห็นว่าโลกนี้คนที่พร้อมจะเข้าใจคุณมีอยู่สองพวก พวกแรกยังไม่ได้รักหรือเกลียดคุณเมื่อไม่รักไม่เกลียดก็เข้ากับยังไม่มีอคติหากเกิดเหตุให้เข้าใจผิดกันคุณจึงใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงอธิบายได้เปลี่ยนความเข้าใจที่ผิดให้เป็นถูกได้แถมยังอาจมีเศ์ฟลิปร้ายให้กลายเป็นดีหลอกให้เขาเชื่อลวงให้เขาชื่นชมด้วยการโกหกคาโตได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่อาถรรพ์ของคําโกโหกแผงฤทธิ์เขาจับได้ด้วยทางใดทางหนึ่งซึ่งเกินกว่าที่คุณจะคาดเดาว่าเป็นทางไหนเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกจากไม่รักไม่เกลียดเป็นค่อนข้างเกลียดหรือเกลียดเข้าไส้ไปเลยและหลังจากนั้นคุณก็จะทําให้เขาเข้าใจเป็นอื่นไม่ได้อีกเขามีแนวโน้มจะมองว่าคุณเลวหรือโคตรเลว เท่านั้นพวกที่สองรักคุณเมื่อรักกันก็ยอมมีอคติในแบบลำเอียงเข้าข้างคุณถึงพูดขอความเห็นใจได้ง่ายๆหรือกระทั่งขอร้องให้กแกล้งรีตาข้างหนึ่งเพื่อเห็นแต่สีขาวที่ระบายอยู่บนตัวคุณได้สบายๆ ยิ่งถ้าหากเขารักคุณมากพอต่อให้คุณไม่พูดอะไรเลยเขาก็คิดเข้าข้างให้เองอยู่แล้วกระทั่งคุณอาจประหลาดใจเพราะแม้แต่ตัวเองยังหาคิดหาคำอธิบายไม่บรรเจิดแจ่มเท่าที่เขาช่วยคิดให้ด้วยซ้ำโดยย่นยอ่อสรุปได้ว่าถ้าอัตตาประเภท ต้องเข้าใจฉันมันเล็กลงเพราะคุณเข้าใจตัวเองชัดอยู่ก่อนแล้วแล้วก็คุณจะลดระดับความรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกลงไปเกินครึง่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เข้าใจผิดกันกับใครคุณพูดอย่างเขาฟังแล้วคิดไปอีกอย่างหรือคุณตั้งใจแบบหนึ่งพู้คนกลับมองไปอีกแบบ อย่างเนี้ยเมื่อจะต้องพยายามพูดแก้ความเข้าใจให้ถูกก็ควรดูด้วยว่าความรู้สึกของเขารอมรับแค่ไหนเขาจัดอยู่ในพวกที่มันไส้เกลียดกลางๆหรือว่ารักคุณความคาดหวังของคุณจะได้พอดีกับระดับสายตาของเขาแล้วไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยกับความพยายามที่สูญเปล่า จะได้เหลือเรี่ยวแรงเอาเวลาไปพยายามทำชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการหมกมุ่นครุ่นคิดหาทางทำให้คนทั้งโลกมองคุณดีขึ้นแปลกแต่จริงเมื่อรู้จักใช้เวลาทำชีวิตให้ดีเข้าใจตัวเองให้ดี ไม่เสียเวลาไปกับคนที่มันไส้หรือเกลียดคุณไม่เนึกอยากเรียกร้องให้ทุกคนเห็นใจคุณในที่สุดคุณจะมีสัญชาตญาณเลือกคนที่จะรักคุณได้จริงหรืออย่างน้อยที่สุดก็เข้าใจคุณได้โดยไม่ต้องเหนื่อยอธิบายมากซึ่งนั่นก็อาจเราะคุณกรองและกัรนคนที่พร้อมจะไม่เข้าใจคุณ ออกไปจากชีวิตได้หมดแล้วปริมาณความเกลียดคือมาตรวัดว่าคุณเหลือพื้นที่ให้ความรักน้อยเพียงใด พื้นที่ในจิตใจของคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับความเกลียดมากมายเคยคิดไหมว่ามันเบียดเบียนพื้นที่ทางความรักขนาดไหนเมื่อใจขาดพื้นที่ทางความรักจะเอาความรักไปตั้งไว้ตรงไหนได้เวลาที่สลักให้กับการหมกมุ่นกรุ่นคิดถึงคนที่คุณเกลียด คือนิมิตหมายบอกว่าภาพรวมของชีวิตคุณมืดมนแค่ไหนเป็นไปได้หรือไม่ที่แสงสว่างทางความรักจะสาดส่องเข้ามาได้ความพร้อมจะเกลียดหรือแนวโน้มที่จะชิงชังใครสักคนง่ายๆคือแนวโน้มว่าความรักของคุณพร้อมจะปรวนแปรเป็นอื่นได้ไม่ยาก นาทีที่อยู่คนเดียวคุณจะมองไม่เห็นว่านิสัยหรือความเคยชินทางอารมณ์เกลียดมีอิทธิพลกับชีวิตรักของตัวเองเพียงใดตอนไม่ยอยู่กับผู้ใดหรืออยากใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนจึงค่อยเห็นว่าปริมาณความเกลียดยิ่งมากเท่าไหร่คุณยิ่งเหลือพื้นที่ให้คนรักน้อยลงเท่านั้นหมกมุ่นคุ่นคิด ถึงคนที่เกลียดนานขึ้นเท่าไรคุณยิ่งเหลือเวลาสร้างความสว่างร่วมกับคนรักน้อยลงเท่านั้นยิ่งพร้อมจะเกลียดง่ายขึ้นเท่าไรความรู้สึกที่มีต่อคนรักยิ่งง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้นการปล่อยให้ความเกลียดลอยนวลอาจหมายถึงการทำโทษความรักโดยไม่ต้องมีความผิดละวันหนึ่ง หลังจากสะสมความเกลียดไว้มากพอคุณจะตกใจที่ไม่อาจกำจัดมันทิ้งไปรวมทั้งไม่อาจรับความรักเข้ามาสู่ชีวิตได้อีกเลย